อมรรัตหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นนักร้องใหม่เสียงดีร้องเพลงเพราะคนอีสานทั้งหลายนะคะที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพอได้ยินเสียงเพลงฟ้าห้องโยนด้วยท่วงทำนองที่เราใจเนื้อหานี่กินใจไล่ไลคือคิดฮอดบานเด้แต่ในความเป็นจริงนะะถ้าจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักร้องที่ผ่านประสบการณ์กับ ค่ายเพลงมาหลายค่ายแล้วก็มีเพลงดังมาแล้วหลายชุดทุกคนไม่เชื่อดีเจแอมแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะจิวอมรอรัตคือนักร้องคนเดียวกันกันกบนกพรพนามีชื่อจริงว่านางสาวอมรอรัตวงษาภูมิเนาวนะคะก็อยู่ที่อำเภอสว่างดินแดนจังหวัดสกลนครเดิมเนี่ย เป็นนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กช่วงอายุประมาณ9ขวบเนี่ยเคยร่วมประกวดระดับประเทศด้วยนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายต่อมาเนี่ยได้รับการผักดานจากขวัญชัยไพรพนาให้มาบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2542กับบริษัทมา s t สเตอร์เท มีผลงานทั้งหมด6อัลบั้มได้แก่เลือกเขาเถิดพี่คำตอบสุดท้ายแพ้พรมลิกิตแค่คนรู้จกักเสียงจากหัวใจและมุมเงาสาวอกหกักซึ่งเธอมีเพลงดังจากเพลงเสียงจากสาวลาวงุมมุมเงาสาวอกหกักชวนบ่าวเที่ยวบ้านหลังจากที่ห่างหายไปนานแดปีล่าสุดค่ะ ได้กลับคืนสู่วงการเพลงอีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เรียกว่ารีโนเอทใหม่นะชื่อจิ๋วอมอรรัตย้ายสังกัดไปอยู่กับบริษัท SKP Entertainment โดยมีผลงานในอัลบั้มรวมใจสองฝั่งของชุดสาวเข็นไฟซึ่งถือว่าเป็นลิเกษทธิเพลงและเป็นนักร้องคนแรกของประเทศไทยนะคะ ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายมิวสิกวิดีโอในประเทศลาวเลยและก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงวัฒนธรรมไทยและก็กระทรวงวัฒนธรรมของฝั่งลาวซึ่งเพลงของเธอเนี่ยเพราะหลายเพลงเช่นสวรรค์เมืองลาวสาวเข็นไยสาวนครพนมฝ้าร้องโยนโยนนะเศร้าหลายใจได้บอกซึ่ง นับว่าจิ๋วเนี่ยเป็นในเรื่องของการนำวัฒนธรรมของสองฝั่งมาใช้ได้ดีทำให้เธอเนี่ยดังเป็นผูแตกมากที่ฝั่งลาวแล้วก็ร้องร้องเพลงส่วนใหญ่ร้องเพลงที่ต่างประเทศแล้วผลงานของเธอเนี่ยเสียงเธอเนี่ยรักร้องหมอลำก็มักจะนิยมนำเสียงเธอเนี่ยไปร้องตามงานหมอลำต่างๆแล้วก็ได้รับการนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งครูเพลงศิลปินแห่งชาติครูชาลีอินทราวิจิตบอกว่าเป็นนักร้องหมอลำสาวที่เสียงดีมากๆไม่ว่าร้องเพลงอะไรก็ไพเราะแล้วก็เป็นที่คล้ายเหมือนน้ำเซาะซายได้สบายอะ่ะอืมคือร้องเพลงไน้ยอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เพลงไหนที่โดนตีคล้ายกันออกหมดแล้วก็จะเลือกเอาไว้ให้ร้องอัลบั้มหน้า แล้วเธอก็ได้แสดงถึงความสวยงามของประเทศลาวอ่ะซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอ้โหนี่นะนักร้องไทยเนี่ยเริ่มตีตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านได้ทำได้นะคะเอาล่ะวันนี้เราจะมาฟัง้นงานเพลงชุดใหม่ของจิวอมรรัตคือสวรรค์เมืองลาวกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนั้นนะคะดีเจแอมอย า, ากจะฝากแชร์หมดเปลือกไว้ในอ้อมรักอ้อมใจแห่งทงผู้ฟังทุกคน ติดตามได้ในไลน์แอดนะคะ Tell You All หรือนะคะที่มันแปลว่าแฉหมดเปลือกหรือจะเข้ามาพูดคุยกับ DJM นะคะได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเอาละ่ะวันนี้เราจะมาฟังเพลงสวรรค์เมืองลาวกันค่ะ ไทยศิวามันสิโปบาทหลา่าบักแตงส้างนวยปลายดอกนะ้าพี่น้องเ อ, อ๋อ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูนไบรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์วันนี้ดีเจแอมอยู่กับคุณหอมแก้วจรูลค่ะซึ่งมีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์และจะมาแสดงความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะคุณหอมค่ะครับเดี๋ยวให้แนะนําชื่อนามสกุลบ้านเลขที่หมู่ตําบลอำเภอจังหวัดค่ะคุณหอมแก้วจรูล ว่าเอดไปผ้ า, ามูลหนึ่งตำบลบองป่ออำเภอบกพ ร, ร, ระจังหวัดนครสวรรค์คุณหอมค่ะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูลไว้แต่ก่อนเนี่ยปวดยังไงบ้างเล่าให้ละเอียดนิด น, นึงค่ะปวดขาเจ้าชาชาชาเท้าทางซ้ายเวลาขับรถนานน่นเดินก็ชาตอนนี้ก็เบาแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าชาเท้าเนี่ย อ, อปวดขาแล้วก็นั่งยองยองไม่ได้หรืออะไรคือเล่าอาการทั้งหมดเลยค่ะคที่เป็นนั่งยองลอยดานตึงเส้นอ่ะตอนนี้ก็พอได้บ้งแล้วแล้วก็ตืนี้ไปมันก็ตีแรกก็ปวดอ่ะปวดนิ้วชินทิ้งสามเมตรปวดนิ้วมากเลยแล้วก็พอได้แล้วก็นนลดลมาหรือสองเมตรแล้วก็เบามาเลย ตอนนี้ก็เบาบานี้ ก, เ บ, กเบาตัวถ่ายออกมาที่แรกก็ดำค่ะแล้วคุณคุณหอมก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าใช้ชีวิตลำบากมากใช้ชีวิตลำบากยังไงบ้างะคะทำงานนักกัขับรถส่งของขับไปทำงานหนักกับทำงานไห้มองแล้วก็มาทำช่วยหลานขายของที่6 พ, พันรงเล็กรงโตนก่อนนะ เลยก็ปวมดมือ เ, เลยแล้วก็จาผมลองสินยามาหลายชนิดแล้วยานแผลก็กินมาแล้วอันนี้ก็นั่งขับรสังไปเรื่อยหน้าก็คงดีเน่ร้องเลยต้องสั่งไม้ลูกชายสั่งไม้แล้วก็มันหมดเลย่็ให้ลูกชายถามว่าน้ำมันที่เอามาส่วนใหญยังอยู่ สมบูรณ์ครับค่ะแล้วอตอนพอใช้ไปจากตอนนั้นสั่งไปนะคะตอนที่ใช้ไปเนี่ยรู้สึกประทับใจอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์บ้างะคะน้ำมันทานไม่ลอยมัก็เบาในบ้านก็ขึนด้วยในบ้านเาก็เบาเบาขาเบาแข้งอะไรก็ วันนี้เขาไม่กินเขาให้หุ่กินคนเดียว uh huh. เขาครัวยามหมดทีแรกอ่ะ uh huh. บอกกินเยอะแต่ก็กินต้องเลี้ยสั่งว้าใหม่ต้องกินเนี่ยมาตุ่นเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องมันแดงเด็กเล่นเขนักค่ะแล้วแม่บ้านในอยู่ใกล้ๆั้ยคะอยู่บ้านนุผมมาทำงานที่บ้านที่ร้านหลานกบะ แล้วคุณหอมาค่ะมีความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยแพงเปอรเกินไปไหมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลุงได้รับอะค่ะครับมันไม่แพงอะพอทานได้ไม่แพงแบบอื่นไม่แพงผมลองซื้อหมดแนละ้วผมลองหมดแนละ้วไม่สวยเดี๋ยวผมหยุดหุดสายเดินกันนะ วังไอ้นี่ขับรถฟังไปเลยเอ็กซ์มาฟีเนี่ยเด็กก็ลองไอ้บกแมงลองฟังไอ้นี่สินเนี่ยแล้วได้ลูกชายฟังมั้ยแล้วคุณลุงหอมีอะไรจะฝากกับคนฟังทางวิทยุบ้างไหมคะว่าถ้าเป็นอาการแบบลุงให้ทํำยังไงดีคะผมก็บอกแนะแถวข้างบ้านอนะ่ะผมบอกลองฟังก่อนแล้วทำยไงเดี๋วว็กก็จะเขาก็อ ถ้ากิจนกันแต่เขาก็ฟังวิทยุยเลยนะแถวฟางบ้านผลแต่เขายังไม่กล้าฟังเขาต้องรอลูกเขาคนเลเลยลอบอกไปลองฟังไปที่ชุดเล็กเขาก็มีอ่ะไม่เอาชุดใหญ่ก็าชุดเล็กก็ได้แต่วเขาก็ชุดเฉยแล้วลุงมีอะไรจะฝากคนฟังวิทยุทั่วไปไหมคะที่เขาขับรถหรือเขากาลังทํางานแล้วฟังอยู่อะคะ่ะมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมคะผมก็บอกเานาะบน ี่เรียร้านเนียบอกกนดียังกระโดดดบอกขาไม่คยอยน่าและเนี่ยายแยขา็งก็พอได้ละมือตอนนี้ยังยั ง, ย ง, ยงมอยังนั่งอยู่ยังแบบมันตงึงที่มือกำยังไม่่อยนักเนี่ยถึงจะลูกบอกตังว้เยอะแต่ผมวาให้ตัง ทางรายการมูลไบรท์ต้องขอขอบคุณคุณหอมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอาขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อขาปวดหลังหรือเปล่านั้นแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะ หากอยู่ท่าเดิมนานๆนนจนเมื่อยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบแกรบไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเซนอย่าลืมชุดน้ำมันมูลไรย้ยำชุดน้ำมันมูลไรช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ 0 8 1ย์4ปดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดยำ0 8 1 3 9 4ปดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภณัณฑ์มูลไบรท์ค่ะ วันนี้นะคะทางรายการมูลไบร์ของเราได้อยู่กับคุณลุงผวนจินดาค่ะซึ่งคุณลุงนะคะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายตอนนี้ใช้น้ามันมูลไบร์แล้วดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีครับค่ะให้คุณลุงแนะนำชื่อนำสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะครับเออลุงผวนดูบ้านสะพานอนหมหนึ่งค่ะ ตำบลบาประมงลมะเฟืองกบ้านจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะเอ่อก่อนที่คุณลุงจะมาใช้น้ำมันมูลไบรท์อะค่ะลุงเป็นอะไรมาจ๊ะปวดขารับปวดตั้งแต่สัโพกลงไปถึงโน่นเนหลังเช้าโน่นอะโอ้โหปวดแบบนอนไม่ได้เลยอะอืมปวดนี่นอนไม่ได้นี่มันปวดยังไงครัปวดหน่วงหนวงหรือว่าปวดเจ็บจี๊ดฮะปวดมันปวดปวดแล้วมันเหมือนกับมันเมื่อยเมอย่างนั้นอะ อื hmm. ปวดแล้วไม่มีแรงนอนก็ไม่ได้ด้วยแล้วลุงตอนเช้าวัดลุกไม่ได้ก็ต้องนั่งถัดไปถัดมาอยู่ที่บอกว่านั่งถัดไปถัดมานี่คือเอาก้นถัดไปกับพื้นเหรอคะลุงครับครับมันยืนไม่ได้นะโห oh. ปวดมากยืนไม่ได้ก็เลยเอาก้นถัดไปกับพื้นครับลุงเป็นอย่างนั้นมานานหรื อ, อยังคะ โอ้เป็นต้นเดืครับเป็นมาแต่ปีห้าสี่สามห้ากันอืมโอ้เป็นมาสี่ปีแล้วนะลุงตั้งแต่ห้าสี่จนถึงห้าแปดเป็นมาตั้งแต่ห้าสี่แคมันหายมาแล้วมั้งมันหายมาช่วงนแล้วค่ะอ๋อแล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่ครับตอนนี้กลับมาเป็นใหม่คอืมแล้วเวลาลุงเป็นเนี่ยกินข้าวได้ไหมข้าวก็พ็กินได้ครับ กินได้แต่ว่าเดินเราต้องถัดแล้วลุงเดินไกลๆไปไหนมาไหนได้ไหมคอตอนที่เป็ น, นไ้ไม่ได้เลยครับอืมค่ะคือตอนที่เป็นนี่คือเดินไปไกลไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วคุณลุงอะค่ะมารู้จักกับน้ำมันมูลไบรท์ได้ยังไงจ๊ะก็ฟังวิทยุนะครับค่ะรอบแรกวิทยุมาตลอด ทานน้ามันไปมันก็ดีขึ้นนะครับค่ะมันปวดตรงไหนแล้วก็พ่นไปตรงนั้นน่ะแต่นี่มันก็ทายประมาณสักครึ่งขวดมันก็ดีขึ้นครึ่งขวดนี่ประมาณสักสิบกว่าวันเองนะลุงก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมค ะ, คะประมาณนั้นแหละอืมดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงบ้างคะลุงมันก็มันก็เริ่มเริ่มเริ่มเดินได้นะเดินเดินไปไกลได้อืมค่ะ เป็นไปไหนต่อไหนได้แล้วยังต้องถัดอยู่อีกไหมลุงลุกเลยครับเพราะว่าลุกพอเราตื่นนอนแล้วก็เดินได้เลยอ๋อตื่นนอนแล้วก็ลุกได้เลยไม่ต้องถัดแล้วครับมันหายปวดไปเลยโอ้โหดีมากเลยนะลุงแล้วลุงมองว่าสินค้าของมูลไบร์เนี่ยราคามันแพงเกินไปไหมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลุงอ่ะมแกครดีอ่ค่ะ อืของก็ใจดีมากเลยและ่ะแล้วคุณลุงมีอะไรจะฝากไหมกับคนที่เขาเดินถัดๆเดินไม่ได้ไกลเหมือนลุงอ๋ออยากจะฝากถึงคนที่ที่เป็นโรคปวดขาแบบผมนั้นนะค่ะตั้งแต่มันจะปวดตั้งแต่จะโคกไปหลังเท้า น, ทนั่นน่ะค่ะหรือ้วปวดหลังก็ได้ค่ะถ้าใครเป็นจะลองซื้อไปทีนะครับยาก็ดีมากค่ะอืมค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะคะค่ะ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 ทราบไหมคะว่าทำไมบางคนเนี่ยขากรอมนะคะคือเข่าโค้งนะคะขาโค้งออกเนี่ยสาเหตุหลักที่ทําให้ขาโค้งเนี่ยก็เกิดจากเส้นตรงบริเวณข้างหัวเข่านะคะมันจับก้อนนะคะไม่ๆเนี่ยคนไข้จะตึงนะคะตึงบริเวณเน่เส้นข้างหัวเข่านะะบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากเนี่ยงอเข่างอขาไม่ได้เลยนะคะ อตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มเป็นที่บริเวณเส้นข้างขาก่อนนะะแล้วก็แล่นลงมาที่ใกล้ๆ ก, กับเส้นข้างหัวเข่านะคะพอนานวันเนี่ยรักษาไม่ถูกจุดนานวันเข้าเนี่ยมันก็จะแล่นไปที่บริเวณท้องน่องนะะบริเวณที่เส้นข้างท้องนะะ่งนองด้วยนะคะ <S <s <Huh? S 1> บริเวณนั้นเนี่ยมันมันจะแล่นจับก้อนไปหมดเลยนะคะพอนานวันเข้าเนี่ย เสนตรงนั้นเนี่ยพอมันมันจับก้อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปดึงให้กระดูกขาโค้งด้วยนะคะบางคนเนี่ยคือเดินขาโค้งมากเลยนะคะท่านก็คงเคยเห็นนะคะอ่าหากท่านมีปัญหาดังกล่าวเนี่ยลองมาสั่งซื้อน้ํามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยหมูนไบนะคะให้ทาบริเวณเส้นข้างขานะคะแล้วก็เส้นข้างหัวเข่าด้วยนะคะแล้วก็เส้นข้างใต้ ทองนองด้วยนะคะแล้วบริเวณข้างน่องด้วยบริเวณนั้นเนี่ยเส้นมันจับก้อนหมดแล้วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลไบ้รวมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนของมูลไบ้รวมด้วยเนี่ยอาการดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารับประทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยหากว่ากระดูกยังไม่โค้งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มขาตรงได้นะะแต่ถ้า เส้นมันยืดจนกระทั่งกระดูกขาโค้งแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมันกระดูกมันโค้งหมดแล้วเนี่ยก็คือคนถ้ากระประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลไบรวมทั้งทานน้ำมันแก้ปวดเมื่อยมุนไบร่ร่วมด้วยเนี่ยคืออาการปวดคนไข้จะไม่มีนะคะแต่ไอ้ขาโคง้งเพราะกระดูกมันโค้งหมดแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะคะแต่คนไข้ก็จะไม่ปวดนะคะแต่ถ้ามันเริ่มเริ่มจะโค้งนะแต่ยังเป็นไม่มากเนี่ย เมื่อรับประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลไบส์ร่วมกับการทาน้ํามันแก้ปวดเมื่อยของมูลไบ้แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนของมูลไบสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขาตรงได้เหมือนเดิมนะคะหากว่ากระดูกยังไม่ดึงจนโค้งแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0885453515หรือ 0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งส9 4 6 9 7 7สหเจ็ดดหนึ่งสสหเจ็ดหรือ0 8 8 5 4 5 3 5หสี่ห้าสามห้า สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงมูลไรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไรท์ค่ะวันนี้นะคะทางรายการมูนไรท์ได้อยู่กับคุณสานิตปั้นหนึ่งค่ะซึ่งมีความประทับใจนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของมูนไรท์แล้วดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณสานิตค่ะสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวให้คุณสานิตแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ด้วยค่ะ ชื่อสานิส่หนึ่งค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ่ะเก้าห้าสามค่ะหมู่สามค่ะบนกกพาอำเภอโกพาจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะคุณสานิคะก่อนหน้าที่จะใช้มูลไบร์เนี่ยคุณสานิเป็นอะไรมาคะอ๋อมีเจ็ดอผ้าค่ะก็จะปวดหลังปวดขาค่ะ อก็คือเย็บค่าแล้วก็ใช้หลังก้มหลังทํางานเยอะนะคะค่ะแล้วคุณสานิดนี่ปวดขนาดไหนคะแบบมันตึงอ่ะหลังตึงอ่ะอหลังตึ ง, ลงเลยแข็งมาตึงเลยอ่ะอค่ะแล้วคุณสานิดปวดหลังมากี่ปีคะพึ่งพึ่งจะริ่มมาสัก สองปีที่แล้วค่ะก็ไม่ได้ยาอะไรก็ฟังวิทยุก็ได้ยินติดดีก็เลยสั่ะขืบมุดไปนะคะค่ะก็หลังก็ไม่แข็งแล้วค่ะกางไอส ไ, ฟไฟอื์อก็คือว่าเพียงชุดแรกก็เริ่มรู้ผลว่าดีขึ้นเลยใช่ไหมคะเ ล, เลยสั่งติดใส่อ๋อค่ะอ่าแล้วตอนนี้อ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นแลวค่ะ อ๋อค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็นนดีขึ้นแล้วงนะ่ายสบายสบายแล้อืมค่ะแล้วคุณสานิทมองว่าราคาของสินค้ามูลไรท์เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่แพงคนระับพอจะไอ่ครับแพงอืมไม่แพงเนาะค่ะแล้วคุณสานิทมีอะไรจะฝากกับคนที่เขาปวดหลังแบบคุณสานิทบ้างไหมคะค่ะก็ลองดูคะ่ะถ้หลังหลังเปิด ขาอะไรก็ลองดูสารน้ํายาของยาทาค่ะดีค่ะอ๋อประทับใจน้ํามันนวดนะคะใช่ใชค่ะค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณสานิทป้าหนึ่งเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบร์ยำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูไนไบรทจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูไนไบรทสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสาเกสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนดหนึ่งสาเกสี่หเก้าเจ็ดเจ็ด เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณบอยหนูนากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณป้าบอยแนะนำชื่อนำส ก, กุลแล้วก็นามสกุลค่ะชื่อป้าบอยหนูนาค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะอยู่บ้านเลขที่ห้าหมู่เจ็ดค่ะดงบ้านโพค่ะ ตำบลนตำบลหัวดงอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณป้าบอยอายุเท่าไหร่คะอายุหกเจ็ดค่ะ เ, เจ็นะค่ะป้าบอยนี่ก่อนจะมารู้จักกรมูลไบรท์ป้าเป็นอะไรมาคะปวดหัวเข่าค่ะปวดมากี่ปีคะพึ่งจะเริ่มเป็นอ๋อ อ๋อจ้ะ แ, แล้วปวดหัวเข่าวย่างเดียวเหรอมีอย่างอื่นไหมอ่าปวดหัวข่าวย่างเดียวอืมเพิ่งจะเริ่มเป็นไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีค่ะแล้วป้ามารู้จักกุมูลไบรท์ได้ยังไงอ่ะคะฟังวิทยุค่ะอืมฟั ง, <า> ง, งวิทยุก็ประกาศถิน่นสัมภาษณ์คนหนองกดก็ว่าก็เป็นเหมือนการไปนั่ง เข้าห้องน้ําอ่ะนั่งหงายท้องมันตึงไงแล้วมันปวดหัวเข่าข้างเดียวนี่ก็ได้ยินข่าสัมภาษณ์แล้วก็ทดลองเอามากินกระปุกนึงแล้วดูมันรู้สึกว่ามันเบาไงก็เลยสั่งอีกกระปุกเนี่ยอค่ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบรท์เนี่ยอืมราคามันเป็นยังไงพอไหวไหม ก็พอไหวก็ไม่แพงจนเกินไปก็ไม่ถูกจนเกินไปก็พอกินไหวอ๋อค่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณป้าเคยไปรักษาหรือซื้ออย่างอื่นมาทานบ้างไหมไม่เคยซื้ออย่างอื่นมาทานไปหาหมอที่ปากน้ำโพไปฝังเข็มเขาหายกันป้าก็ไม่หายไปที่คลินิกก็ไม่หาย ไปจนอ่อนใจแลว้ว啊คิดว่าไม่รักษาตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าหายที่คงไฟไงพอดีมาฟังวิทยุขึ้นมาได้ยินกนเลยโคสั่งเอามากินกินแล้วมันก็รู้สึกว่าเบามันดีขึ้นอืค่ะคุณป้าคะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาฟังวิทยุอยู่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าเอ๊จะสั่งดีไหมเพราะว่ากลัวว่าเออสั่งไปแล้วเนี่ย มันมันจะเป็นหน้าม้าไหมหรือจะโดนหลอกไหมเขาป่วกกันนะคะคุณป้าไม่โดนหลอกไม่เป็นหน้าม้าอะไรสักอย่างเลยอันนี้เสียงจริงตัวจริงทุกอย่างเลยค่ะอืมค่ะค่ะทางรายการมูลไร้นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าบอยหนูนากนะคะ ที่อยู่เอ่อบ้านอะไรนะคะบ้านบ้านดงบ้านโพค่ะบ้านดงบ้านโพนะคะตำบลหัดงอำเภอเจ้าเล้วจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าค่ะค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตะคริวนิ้วล็อกชามือชาเท้า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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม จริงเสียงจริงของคุณช่วยหยวกแตงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะให้คุณป้านแนะนำชื่อนำส ก, กุลและที่อยู่ค่ะค่ะคือป้าช่วยหยวกแตงอยู่บา้านเลขที่หกิสองหมู่หนึ่งตำบลตะละแดงค่ะอเภอพกกพาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ออยู่ศารแดงนะคะอย่ตำบลสารแดงตำบลสารแด ง, แดงอำเภอโกกพานครสวรรค์ค่ะอย่างป้าคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไรซ์นี่คุณป้าเป็นอะไรมาคะปวดหลังปวดขาไปตลอดถงึงเท้าท่านแหละค่ะอ่าก็เลยฟังวิดีโอแล้วป้าก็นึกว่าสนใจว่ามันเป็นโกงกับโลกป้าป้าก็เลยสั่งอืมเนี่ยป้าก็เลยสั่งมากินค่ะใช่ใช่ กินตอนกินกินใน่ังเออหินปูนนั้นมากินดีกินแล้วสบายสบายอ่าแล้วเราก็มากินในขายเส้นเนี่ยจะกินครบนดไอ้มือยละสองเม็ดปากินไม่ไหวแล้วมันปวดอืมก็เลยลดมาเหลือไม่ดเดียวก็สบายกินพอดีไม่ปวดไหนอะไรอืมเนี่ยอ่าก็เลยหมดแล้วก็จะสั่งมากินใหม่จะกินสองคนกับพี่สาวอือค่ะอ่อเนี่ยก็เลย อ่าท่านผู้ฟังได้ถ้าได้ยินนะคะคุณช่วยจะบอกว่าเวลากินขายเส้นจะปวดมากเพราะมันดึงเส้นงท่านเป็นก็เลยบอกว่าอ่าท่านใดที่สั่งซื้อไปนะคะแล้วเกิดอาการปวดก็ไม่ต้องตกใจคือท่านกําลังงานโรคอยู่กําลังถูกกับปลาก็ไม่ได้กิ น, ปา ก, กนปาก็เลยกินตามที่ไอ้ไบรทสั่งมาว่าถ้าปวดมากก็ให้ลดลงอนะ่ะอืมอ่าปาก็กินตามนั้นน่ะแหละอืมออนี่ย แล้วที่บอกว่าเบาปวดเนี่ยอะไรบ้างที่มันดีขึ้นคะมันก็เหมือนเบาตึงะะอ่ะขาอะไรต่อะไรมันก็เบาตึงไปไงอืมแล้วเมืนเดินก็ดวกขึ้นอีกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกป้านั่งห้องน้ําไม่ได้เลยป้าต้องเปลี่ยนถอดเสื้อมื อ, อ, อแล้วนั่งไม่ได้ค่ะสมาธยังไม่ได้เลยตอนแะรก่ะอืไปวัดเนี้เพราะเพียบไม่ได้เลยไปทำบุญนะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้พอได้แล้ว ไ, ได้แล้วเนี้ อ่ากพอกาะเทียมได้นะคะตะมาได้แล้วก็จะสั่งกินอีกแต่ชุดใหญ่หนึ่งค่ะคุณปรามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมเพราบางคนอ่ะไม่มั่นใจคือกลัวว่าสั่งไปแล้วมันจะไม่ได้ผลนะคะอ๋อถ้าเ้ารู้ใครเป็นปวดเมื่อยในร่างกายเต้นตึงอะไรเนี่ยสั่งไปกินได้เลยแล้วก็มันสบายจริงๆมันเบาเยอะเนี่ย สังไปกินได้เลยถ้ารู้ว่าเป็นแบบไม่ปวดไม่อปวดเท้าเขาปวดข้ออะไรเนี่ยเนี่ยตอนแรกป้าเป็นนิ้วเหมือนกำไม่ได้เนี่ยพอกินเข้าไปป้าก็กำได้แล้วเนี่ยอืมค่ะก็ดีจ้าแม่สําหรับคุณป้ามองว่าได้ผลจ้ามันมองว่าดีอืมเนี่ยอ่าต้องดีถ้าไม่ดีป้าจะสั่งซ้าทําไมแล้วจ้าจ้า ค่ะทางรายการมูนไบรท์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าช่วยหยวกแตงนะคะที่หมู่หนึ่งตำบลสาลาแดงอำเภอก ร, ระโปะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจ้าจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าจ้าชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบรท์ยำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรท์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบรท์สอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสาเกสหเกเจดเจดจำศูนหนึ่งสาเกสหเก้าเจ็ดเจ็ด เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณป้าวิทยากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, ะให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลที่อยู่ค่ะแันชื่อเนตยาสรารวิทย์บาลตีสิบสามหมู่ห้าตำบลเนินเป้าอำเภอกุกพระนครสวรรค์จ่าค่ ะ, คะอ๋ะอคุณป้าเนตยาใช่ไหมคะอ่านิดนๆ น, นิดตยาอ๋อค่ะจ่าจ่า จ, าจา คุณป้าอยู่เนินกว้าวกระพะนะครสวรค์นะคะค่ะคุณป้ า, าก่อนหน้าที่มารู้จักกับมูลไบรทเนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาคะปวดขาที่จะเป็นอะไรเรามาปวดขายืนนานก็ไม่ได้ยืนนานแล้วมันจะปวดจะไม่มีแรงขาเลยก<อ>็ามาฟังนะเนี่ยฟังวิทยุค่ะแล้วก็ให้หลานสั่งให้จุดเล็กกันนะ<อ>หลานมันโทรไปสั่งให้แล้วเขาก็มาให้แล้วกิน รู้สึกมันดีขึ้นน่ะเดี๋ยวนี้ยังเดินได้ไปไหนตอไหนได้มั่งก่อนพอเดินไกลๆไม่ได้เลยมั น, นจะปวดที่บอกว่าเดินไปไกลไม่ได้ที่ปวดเนี่ยอะเดินได้แค่กี่กี่เก้าอ่ะถึงแล้วรถต้องหยุดอยูอ<ะ>จย่จะอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยไปออกไปบ้านใครไม่ได้อือเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไปได้แล้วจากนนจิ้ชุดเล็ขมานะ สแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบได้ผลจริงไหมได้ผลจริงจริงอืมแต่ก่อนนั้นนอนอยังไงคะอุ้ยนอนก็ไม่มีความสุขเหรมันปวดมันมึอ่อยไปหมดอ่ะมันจะไม่มีความสุขกันหลยลาจังแล้วกินจุดเล็กมานะอุ้ยนอนสบายเลยลูกอืม ไปปวดปเือยนที่นอนไม่ได้เนี่ยคุณป้าปวดขานอนไม่ได้ไม่เป็นสุขเป็นมากี่ปีคะสอสามปีได้ละโอ้โหมันปวดและนอนไม่มีความสุขนอนจะขยับตัวก็ยังปวดเลยอือสามปีได้แล้วนะป้าอ่าอ่าแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยเมื่อ ราคาสูงไปไหมเมื่อเทียบกับที่ป้าดีขึ้นแบบนี้ไม่สูงอะ่ะเพราะป้าไปแล้วษามาเยอะแยะแล้วโอ้ค่ะกินตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เองจุด่ดนมูไลน์นี่เองอ๋อค่ะป้ากันจะแนะนําเขาอยู่เนี่ยค่ะแนะนาเขาบอกจากจริงดีเขาเหมือนปวดแสงปวดขาเหมือนกันน ะ, ะก็บอกกับเขา ป้าไปมาทั่วแหละเขาป้าป้าไปไหนก็ตามเขาไปเนี่ยจนไม่มีกระตังังแล้วยาแล้วซื้อยาแล้วหมอไหนนีได้บอกเขาบอกไม่ต้องฟ้าไปแล้วนาไม่ไปแล้วมันไม่หายไปแป๊บเดี๋ยวกลับมามันก็เป็นอีกอะ่ะแล้วคุณป้มามีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมที่เขากลัวว่าสั่งซื้อทางวิทยุกลัวโดนหลอกไม่มั่นใจ ไม่หลอกแล้วไม่จ้องกลัวหลอกของจริงเขามาให้ถึงบ้านเลยเขาไม่ได้ต้องไปกลัวเขาหลอกคลับแล้วก็กินดีเดินตวนนี้ใครที่เป็นปวดแฉ่งปวดขาลองซื้อมากินดูลองชุดเล็กก่อนก็ได้เดี๋ยวก็เห็นผลปล้า ย, ยังลองชุดเล็กนี้จ้างให้หลานโทรไปให้แล้วมากินแล้วรู้สึกมันดีอะ่ะค่ะทางรายการนะบุญไร้นะคะต้องขอขอบคุณ คุณป้านิษย า, าสั ล, ลวินนะคะอยู่ตานนําบลว้าวอำเภอรกรกข้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าย่าขอบคุณค่ะ